หม่อมชันระ ล, ลึกถึงพระราชบุตร์อยู่เสมอแต่การมาครั้งนี้เกรงว่าจะนําข่าวอันไม่พึงปรารถนามาสู่พระราชบุตร์ถ้าไม่เป็นที่ต้องพระไทยหม่อมชันขอประธานอภัยด้วยเรื่องอะไรหรือาศาสวัส์พูดมาเถิดพระราชบุตร์ทรงเตือนหรือตักกศิลาทาท่าจะเป็นกบฏอีกเรื่องชะโลธร า, าศาสวัสทูล